จึงเป็นจุดที่เราสังเกตบ่อยๆชัดๆแล้วก็สลัทิ้งอะไรเกิดมาสละทิ้งไว้ก่อนกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่การที่เราเคยไปติดสมาธิติดสงบนี่มันเหตุกแก่ให้เกิดความเป็นสมาธิเนี่ยระวังหน่อยเพราะนั้นตามรู้ให้ชัดไว้เสมอตัตัวมันจะโปร่งเบาสบายมันจะแก้ไขตัวนี้ได้เราไม่มีใครที่สงสัยต่อนะอ๋อถ้าหากว่าเราเพลิน แล้วก็ให้เกิดข้อสงสัยก็ให้เกิดการอยากรู้อยากดูอยากเห็นหรือติดใจในสมาธินั้นก็จะเป็นติดใจในนิมิตก็จะเป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นวิาสานสะที่เราสลัดทิ้งว่ า, วาเอออันนี้มันไม่ใช่ของจริงนะกลับมาอยู่รูปนามและความสถิ่อยนี้ให้ชัดๆตัวนี้ก็เป็นมิจฉาเป็นสัมมาสติคือขึ้นมาทําหน้าที่ทันทีตัวนั้นความว่องไวความฉับไวของของตัวรู้คือปัญญาเนี่ยต้องฝึกฝนไว้เสมอเพื่ออะไรเพื่อมีนิมิตอะไรมา ปั๊บก็จะรู้ทันแล้วสลัดไปแต่ถ้ารู้ไม่ทันปั๊บมันก็จะไปยึดติดหรือไปเพลินหรือจะไปสําสคัญมันหมายในนิมิตนั้นเป็นตัวตนขึ้นมาซึ่งมีงั้นก็พยายามเดี๋ยกลิ่นไว้ก่อนเมื่อไงมันจะเนื่อช้าติดอยู่ในนิมิตในสมาธิแล้วก็มันมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้นะบางครั้งมาสมัยที่สติส ม, มิยะตัวนี้ยังไม่คล่องตัวยังไม่สมบูรณ์เนี่ย เวลาบางทีพูดพูดไปเนี่ยไปเข้าจูนกับสมาธิที่เป็นฌานเนี่ยมันตัวมันหายไปเลยนะเสียงก็พูดออกมาอย่างนั้นมันทื่อมันก็หลายครั้งพอมันอารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมันต้องหยุดอ่ะพอไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนมันมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่ำไปหมดเลยพออนิมิตขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนของจริงไงนะพอเราหยุดแล้วสักพักหนึ่งพอสติมันจะคืนกลับมาไอ้ตัวนั้นก็คืลายลงคลายลงคลายลง กลัมาปกติใหม่อันนี้มันเรียกม่นรบ ก, กวนเลียกปิติเพราะนั้นอารมณ์สมถนะเนี่ยมันไม่บอกเราอะเมื่อเรามันได้อะไรอะอารมณ์ที่มันเอือ้อที่จะให้เกิดมันก็เกิดมันไม่ได้บอกเราเข้าไปในปุ๊บเข้าไปในนั่นเลยะมันเคยชินนะทั้ง น, นั้นก็มาเจริญสติแบบนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคปัญหาที่จะก่อให้เกิดวิปัสนาวิจินทะยานวิปัสสนาก็อย่าไปยุ่งกับพวกนี้มีนิมิตหมายพวกนี้เขามาก็สลัดทิ้งไปก่อน แล้วพยายามอย่าไปใช้คาว่าพิจารณาแล้วก็พิจารณาอันนี้จังทุกขังหน้าตาอนุนั น, นี่พิจารณาขันห้าพิจารณาปฏิสุบาทอย่าไปเสียเวลากับมันเพราะนั่นเป็นเป็นตัวคิดที่มาหลอกเราแต่กลับมาอยู่สภาวะความรู้สึกตัวรู้นิรูตตัวที่เป็นรูปนามนี้เสมอแล้วก็ตั้งต้นรง้ี้เสมอแล้วก็ค่อยเรียบเรียงเข้าไปสู่ความจริงที่มีอยู่ เียนร้อนอ่แข็งเข่งตึงหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายตึงเครียดเจ็บปวดตรงไหนก็มามาปรับตรงนี้แล้วก็เริ่มจนไต่ขึ้นไปใหม่ถ้ามันหลุดขึ้นไปหาความคิดพรุงใจสังขารก็กลับมาอยู่ตรงนี้ใหม่มันจะไม่หลงทางแต่ถ้าเราลืมตรงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่หลงอารมณ์หลงนิมิตหลงสงบหลงวิปัสสนูได้ง่ายในการที่เราสอบอารมณ์ถามปัญหาคนที่ ไม่ได้ถามก็พอได้ทราบคำตอบไปด้วยแล้วก็ไปปรับใช้ให้ถูกต้องนันนั้นเวลาที่เหลือนี่เราพรุ่งนี้ขอก็พรุ่งนี้ดูปรับความเหมาะสมอีกทีเนาะอ๋อพรุอาจจะย้ญญายไปข้าง